จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่อใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อที่จะได้มาสร้างบุญสร้างสุสนที่เป็นเหมือนกับที่พึ่งทางใจที่เป็นเหมือนกับที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่หงห่มและอาหารของจิตใจจิตใจก็เป็นเหมือนร่างกายถ้าร่างกายไม่มีปัจจัยสี่ ร่างกายก็จะอยู่อย่างแรงแค้นอยู่อย่างเดือดร้อนจิตใจถ้าไม่มีปัจจัยสี่ของใจจิตใจก็อยู่แบบหิวโหยอยู่แบบวุ่นวายแต่ถ้ามีปัจจัยสี่ใจก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเหมือนกับร่างกายถ้ามีปัจจัยสี่ ร่างกายก็จะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบา ย, ยพวกเรานี้เราก็ใช้เวลาให้กับการดูแลเลี้ยงดูร่างกายกันอย่างเต็มที่แต่เรากลับลืมการดูแลจิตใจของเราถึงแม้ว่าเราจะมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ไว้เลี้ยงดูร่างกายมากกว่าที่ร่างกายจะต้องการแต่จิตใจของเราไม่ค่อยมีความสุขเหมือนกับร่างกายเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลจิตใจเราเหมือนกับเราดูแลร่างกายความจริงแล้วเราควรจะดูแลจิตใจของเราให้มากกว่าการดูแลร่างกายเสียด้วยซ้าไป เพราะร่างกายของเรานี้เป็นของชั่วคราวไม่ใช่เป็นของถาวรไม่อยู่ด้านไม่เกินร้อยปีก็ต้องตายไปแต่ใจของเราเนี่เป็นของถาวรเป็นของที่ไม่มีวันตายแต่เรากลับไม่ได้มาดูแลรักษาใจของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่า เราไม่รู้จักใจของเราเพราะใจของเรานี้ไม่มีรูปร่างเหมือนกับร่างกายเรามีร่างกายเราเห็นร่างกายเราก็คิดว่าเราเป็นร่างกายทาั้งๆที่เรานี้เป็นใจแต่เรากลับมองไม่เห็นตัวเราเองถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาที่เป็นเหมือนกระจกส่องเรา เราจะไม่รู้จักใจของเราเราจะรู้จักเพียงแต่ร่างกายของเราแล้วเราก็จะมาคอยดูแลรักษาร่างกายของเราจนไม่มีเวลามาดูแลรักษาใจร่างกายของเราต่อให้เรารักษาดูแลให้ดีขนาดไหนก็ตามมันก็จะต้องมีวันเสื่อม มีวันหมดไปมันจะต้องแก่มันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันก็จะต้องตายไปใไนที่สุดไม่ว่าจะเป็นพระราชามหากษัตริย์ประธานาธิปดีนายกรัฐมนตรีมหาศษัีรหรือคนธรรมดาสามัญคนยากคนจนมีร่างกายเหมือนกัน มีร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเหมือนกันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่มีกระจกสองหน้าของเรากระจกสองหน้าคือสองใจของเหล่านี้ต้องมีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและมีการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้มี กระจกสองใจเหมือนกับเรามีกระจกสองร่างกายตอนนี้เราเห็นร่างกายของเราอย่างชัดเจนเห็นว่ามีหน้ามีตาอย่างไรมีแขนมีขาอย่างไรแต่เราไม่เห็นตัวจริงของจริงตัวที่แท้จริงของเราคือใจเราจึงไปหลงรักร่างกายหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา จึงพยายามดูแลรักษาร่างกายอย่างสุดกําลังแต่เราไม่ได้ศึกษาความจริงของร่างกายเราไม่รู้ว่าร่างกายนี้ในที่สุดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแล้วถ้าเราเกิดความอยากให้ไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะไปสร้างความทุกข์ที่ใจที่ไม่ได้แก่ไม่ได้ ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายเพราะความหลงเพราะไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายเรากลัวว่าถ้าร่างกายตายไปแล้วเราจะตายไปกับร่างกายแต่ถ้าเราได้มาศึกษาเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะพบกับความจริงว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจ ใจที่ไม่มีวันตายใจคือใครใจก็คือผู้รู้ผู้คิดนี้เองผู้ที่กำลังฟังเทศฟังธรรมอยู่นี้คือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงช่องทางสำหรับทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะเข้าไปสู่ใจเสียงที่แสดงออกมานี้ จะไปสัมผัสกับหูที่ร่างกายแล้วพอเข้าไปในหูแล้วก็จะไปถึงตัวรับรู้ของใจใจก็จะรับรู้เสียงแล้วใจก็จะแปลความหมายของเสียงว่ากำลงังพูดเรื่องอะไรอยูเย่เมื่อฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาเมื่อรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ใจ ต่อไปจะได้ไม่ต้องมาวิตกกังวลมาห่วงใยร่างกายให้เสียเวลาไปเปล่าๆ เ, เพราะห่วงอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะเหนี่ยวร่างร่างกายให้อยู่กับใจไปได้ตลอดไม่จำเป็นต้องเหนี่ยวร่างร่างกายเพราะความจริงแล้วใจของพวกเรานี้สามารถอยู่ได้โดยไม่มีร่างกาย เช่นเวลาที่เรานอนหลับใจของเราไม่ได้หลับไปกับร่างกายใจของเราก็ฝันความฝันนี้เป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของร่างกายเราฝันดีบ้างฝันร้ายบ้างก็อยู่ที่การกระทำของเราถ้าเราทาดีเวลาเรานอนหลับเราก็จะฝันดีเพราะเวลาที่เราทาความดีใจก็จะบันทึกเหตุการ ของการทำความดีของเราเอาไว้ในใจพอเวลาเรานอนหลับใจก็จะเอาเหตุการณ์ที่ได้บันทึกไว้นั้นออกมาแสดงในรูปแบบของความฝันเช่นเดียวกับเวลาที่เราไปทําบาปทํากรรมทําสิ่งที่ไม่ดีใจก็จะบันทึกเหตุการณ์เอาไว้พอเวลาเรานอนหลับ ใจก็จะเอาเรื่องที่ไม่ดีออกมาให้เราได้สัมผัสในความฝันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขฝันดีในขณะที่นอนหลับมีความสุขในขณะที่ตื่นก็ให้เราทำความดีกันอย่าไปทำบาปทำประโยชน์ ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นแล้วประโยชน์สุขนั้นจะกลับมาหาเราถ้าเราทำบาปทำกรรมสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นจะกลับมาหาเราเช่นจะกลับมาตอนที่เรานอนหลับเราจะฝันร้ายเราจะฝันไม่ดีแล้วถ้าไม่มีร่างกาย เราก็จะฝันร้ายไปนานๆจนกว่าเราจะได้ร่างกายอันใหม่การฝันร้ายนี้ก็คือว่าเราได้ไปอยู่ในภพของอบายแล้วถ้าเราฝันดีเราก็ได้ไปอยู่ในภพของสวรรค์ดังนั้นเราจึงควรที่จะทำความดีอยู่เรื่อยๆ และอย่าทำบาปทำกรรมเพื่อที่เราจะได้อยู่อย่างมีความสุขและเวลานอนหลับเราก็จะฝันดีแล้วเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วไม่มีร่างกายใจของเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็จะได้ได้ไปสวรรค์ฝันดีก็ได้ไปสวรรค์แล้วก็พอได้ร่างกายอันใหม่ก็กลับมาเกิดใหม่ แล้วก็กลับมาทำความดีใหม่ถ้าเราทำความดีเรื่อยๆ เ, เราก็จะมีแต่ความสุขทั้งในขณะที่มีร่างกายและในขณะที่ไม่มีร่างกายถ้าเราทำไม่ดีทำบาป ท, ทำกรรมเราก็จะฝันร้ายและเวลาที่เราไม่มีร่างกายเราก็จะไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรต ไปตกนรกนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสัรู้พระพุทธเจ้าทรงได้พบกับพระทัยของพระองค์ได้เห็นหน้าตาที่แท้จริงของพระองค์ว่าไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือหรือคนรับใช้เท่านั้นเองใจเป็นเจ้านายของร่างกาย ใจสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแล้วใจก็รับผลจากการกระทำของร่างกายสั่งให้ร่างกายไปทำบาปใจก็จะได้รับความทุกข์กลับมาสั่งให้ร่างกายไปทำบุญใจก็จะได้รับความสุขกลับมาความสุขหรือบุญที่ได้ทําไว้ก็จะสะสมไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับบาป คือความทุกข์ก็จะสะสมอยู่ในใจไปเรื่อยๆพอตอนนอนหลับบาปกับบุญนี้ก็จะมาแข่งกันถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบาปก็จะส่งให้เกิดผลร้ายทำให้เกิดฝันร้ายขึ้นมาถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบุญก็จะทำให้เกิดฝันดีขึ้นมานี่คือเรื่องของใจของพวกเรา ที่เราไม่รู้จักเพราะเราไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนตั้งแต่เกิดมาก็มีแต่คนสอนเรื่องของร่างกายสอนให้เลี้ยงดูร่างกายให้หาอาหารมารับประทานหาที่อยู่อาศัยหาเสื้อผ้าหายารักษาโรคแต่ไม่มีใครสอนเรื่องตัวของเราคือใจเลยเพราะไม่มีใครรู้จักตัวของเราด้วยกันทุกคน ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นร่างกายของตนเองถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสั่งสอนก็จะหลงอยู่กับคิดการคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราแล้วก็จะหลงกับการคอยดูแลรักษาร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกข์เพราะว่าร่างกายนี้เราไม่สามารถรักษาไปได้ตลอด ร่างกายนี้สักวันหนึ่งก็จะต้องแก่สักวันหนึ่งก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยสักวันหนึ่งก็จะต้องตายเวลาร่างกายเป็นอะไรใจที่ไม่ได้เป็นอะไรกลับมาเดือดร้อนแทนร่างกายเพราะใจหลงไปคิดว่าใจเป็นร่างกายเหมือนกับเราไปหลงคิดว่าคนนั้นคนนี้เป็นลูกเรา<ม>เป็นสามีเราเป็นภรรยาเรา พอเขาเป็นอะไรขึ้นมาเราก็วุ่นวายใจแทนเขาแต่ถ้าเขาไม่ได้มาเป็นลูกเราไม่ได้เป็นสามีไม่ได้เป็นภรรยาเราเขาเป็นอะไรเราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ไปคิดว่าเขาเป็นของเรานั่นเองดังนั้นเราจึงต้องมาสอนใจใหม่ทาความเข้าใจใหม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เรามีอยู่นี้ มันไม่ได้เป็นตัวเรามันไม่ได้เป็นของเราร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวเราร่างกายนี้มันจะต้องมีวันจากเราไปถ้ามันเป็นของเราเป็นตัวเรามันต้องอยู่กับเราไปตลอดถ้ามันไม่อยู่กับเราก็แสดงว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเหมือนของต่างๆที่เรามีอยู่วันดีคืนดีถ้ามันจากเราไปเราก็ไม่สามารถที่จะไปเรียกกลับมา คืนกลับมาได้สแสดงว่ามันไม่ได้เป็นของเราแล้วเพราะว่ามันกลายเป็นของคนอื่นแล้วเช่นเวลาเราหย่าร้างกับสามีกับภรรยาเขาก็ไปอยู่กับคนอื่นแล้วเขาก็ไปเป็นสมบัติของคนอื่นแล้วฉันใดร่างกายของเราสักวันหนึ่งก็จะต้องเป็นสมบัติของสับเลอเวลาเราตายไปพี่น้องของเราเขาก็ไม่อยากจะต้องการร่างกายของเรา สามีภรรยาเขาก็าไม่ต้องการร่างกายของเราเขาก็ยกให้สั ป, ปเลรอยกแบบฟรีๆเลยไม่ต้องเสียเงินมีแต่ต้องจ้างสั ป, ปเหรอให้มาเอาไปเสียได้ซ้ำไปนี่คือร่างกายที่พวกเราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคาสอนสอนความจริงของร่างกายและของใจเราก็จะหลง ยึดติดกับร่างกายหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแล้วก็ต้องมาทุกข์มาวุ่นวายใจกับความเป็นไปของร่างกายแต่ถ้าเราได้รับความรู้อันนี้แล้วเรานำเอามาสอนใจให้แยกออกจากร่างกายให้ปล่อยวางร่างกายถ้าปล่อยวางได้แล้วจะสบายใจ เหมือนกับเราปล่อยวางสามีหรือภรรยาที่เราหย่าร้างกันไปแล้วเวลาสามีภรรยาที่เราแยกทางกันแล้วนี้เขาไปเป็นอะไรเราจะทุกข์ไหมเราจะเดือดร้อนไหมเราไม่เดือดร้อนเพราะเราหย่าร้างกันแล้วเราไม่ได้ถือว่าเขาเป็นสามีไม่ได้เป็นภรรยาของเราแล้วฉันใดเราก็ต้องมาหย่าร้างกับร่างกายของเรา ต้องยกร่างกายนี้ให้สับปเปล่าไปวิธีที่จะยกร่างกายให้สับปเปล่าวิธีที่จะแยกร่างกายออกจากใจนี้เราต้องปฏิบัติทำปฏิปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติทำได้คือนั่งสมาธิได้เราจะสามารถแยกร่างกายออกจากใจได้นี่แหละคือวิธียาร้างของร่างกายกับใจ ไม่ต้องไปที่อำเภอไม่ต้องไปให้เจ้าหน้าที่เขาลงทะเบียนรับรองว่าเลิกเป็นสามีเป็นภรรยากันแล้วการหย่าร่างของร่างกายกับใจนี้ต้องไปที่สถานที่ปฏิบัติธรรมไปหาที่สงบสงบับวิเวห่างไกลจากเสียงต่างๆห่างไกลจากรูปต่างๆห่างไกลจากบุคคลสิ่งของต่างๆ แล้วไปควบคุมความคิดให้หยุดคิดไม่ให้คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราแ ล, แล้วเราก็สอนให้คิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเราทําอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆต่อไปเราก็จะแยกออกจากร่างกายได้เราก็จะย่าร้างจากร่างกายได้เวลาที่เรานั่งสมาธินี้ พอเราหยุดคิดปับ๊บใจกับร่างกายก็จะแยกออกจากกันร่างกายก็จะหายไปจากความรู้สึกเหมือนกับไม่มีร่างกายเหลือแต่ใจคือผู้รู้ผู้คิดอยู่ตามลำพันธ์แล้วเราก็จะรู้จากตัวเราเองว่าเราคือผู้รู้ผู้คิดเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเพียงภรรยาหรือสามีของเราเท่านั้นที่เราใช้เขามา ตอบสนองความต้องการของเราเราอยากดูอยากฟังอยากดื for ่มอยากรับประทานเราก็สั่งให้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆมาให้เราดูให้เราฟังให้เรารับประทานแต่ความสุขที่เราได้จากการใช้ร่างกายนี้เป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็เป็นความทุกข์ตามมาเวลาที่เราไม่สามารถสั่งให้ร่างกายไปหาความสุขมาให้เราได้ เวลาที่เราอยากจะดื่มอยากจะรับประทานแล้วร่างกายบอกว่าทำไม่ไหวตอนนี้ไม่สบาย mm hmm. เวลาไม่สบายเราจึงไม่ค่อยมีความสุขกันเพราะร่างกายไม่สามารถตอบสนองความอยากความต้องการของเราได้ mm hmm. แต่ถ้าถ้าเรามีความสงบเรานั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้เราจะได้พบกับความสุขอีกแบบหนึ่ง mm hmm. ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆมาถ้าเรานั่งสมาธิได้เราจะได้ประโยชน์หลายอย่างหนึ่งเราจะได้รู้จักตัวของเราเองที่แท้จริงว่าคือใครกันแน่เราจะได้พบกับผู้รู้ผู้คิดแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่ได้จากการอยู่ในความสงบแล้วเราจะรู้ว่า เราไม่ต้องมีร่างกายเราก็อยู่ได้มีความสุขได้มีความสุขมากกว่าการมีร่างกายเสียอีกเพราะความสุขทางร่างกายนี้เป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็มีความทุกข์ตามมาเวลาที่ร่างกายไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้คนที่ไม่สามารถหาความสุขจากร่างกายได้บางทีก็ถึงกับฆ่าร่างกายไปเลย เช่นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคอมาพอมาพากอัมพาตไม่สามารถใช้ร่างกายไปหาความสุขได้ก็เลยอยู่แบบทุกข์ทรมานไม่ไหวทนไม่ไหวก็เลยฆ่าร่างกายเพราะคิดว่าฆ่าร่างกายแล้วจะหายจากความทุกข์แต่ความทุกข์นี้มันไม่หายไปกับความตายของร่างกาย เพราะความทุกข์ของใจมันเกิดจากความอยากของใจถ้าอยากจะดับความทุกข์ของใจต้องหยุดความอยากให้ได้ถ้าไม่หยุดความอยากความทุกข์ก็จะไม่มีวันหมดไปไม่เชื่อลองสังเกตดูเวลาที่เราไม่สบายใจทุกข์ใจนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่เช่นเราทุกข์กับสามีเพราะสามีไปแอบมีหนูเราทุกข์ขึ้นมา ทุกเพราะว่าเขาไปมีหนูหรือว่าทุกเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาไปมีหนูถ้าเราอยากให้เขาไปมีหนูเราจะทุกไหมเราจะไม่รู้สึกเดือดรอ้อนแต่นี่เราทุกเพราะว่าเรามีความอยากไม่ให้เขามีหนูเราอยากให้เขาเป็นของเราเพียงคนเดียวเราเลยทุกแต่ถ้าเราไม่มีความอยากที่จะให้เขาเป็นของเราเขาอยากจะไปอยู่กับใครไปนอนกับใครก็ เ, เรื่องของเขา เหมือนกับคนที่เราไม่รู้จักอย่างนี้เวลาเข้าไปมีหนูเราก็จะไม่ทุกข์นี่แหละความทุกข์ของเรามันอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความอยากของเราไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้ดังนั้นอย่าไปแก้ที่คนนั้นคนนี้ถ้าสามีจะไปมีหนูก็ยกให้เขาไปเลยแล้วเราจะสบายใจทำบุญทำทานไปเลยเหมือนกับเราใส่บาตรนี่ เวลาเราสายบาดเราเสียใจหมเ้ยเราเสียกับข้าวกับปลาอาหารของเค้าของหวานเราไม่เสียใจเพราะเรายินดีที่จะเสียดังนั้นเราต้องยินดีที่จะเสียสามียินดีที่จะเสียภรรยายินดีที่จะเสียลูกเสียพ่อเสียแม่เสียเงินเสียทองเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าไม่ช้าก็แล้วเราก็ต้องเสียกันไม่มีใคร ที่จะเก็บอะไรที่เรามีกันได้ในที่สุดเราต้องเสียหมดเสียพ่อเสียแม่เสียพี่เสียน้องเสียสามีเสียภรรยาเสียบุตรเสียธิดาเสียลาบยศสรรเสริญเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าของในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเรามาอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวแล้วต่อไปเราก็ต้องจากโลกนีไปถ้าเราอยากจะไปอย่างมีความสุข เราต้องพร้อมที่จะเสียเราต้องสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าของต่างๆที่เรามีอยู่นี้ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเราไม่ต้องไปเสียดายมันเรามาหาของที่เป็นของเราอย่างแท้จริงดีกว่าหาความสุขที่แท้จริงที่เป็นของเราดีกว่าก็คือการมาฝึกนั่งสมาธิกันมาทำใจให้สงบกันแล้วเราจะได้ของที่เป็นของเรา ของที่จะไม่มีวันจากเราไปจะอยู่กับเราไปตลอดเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วเราไปความสุขภายในใจก็จะไปกับเราแต่ของภายนอกนี้จะไม่ไปกับเราจะกลายเป็นของลูกหลานไปจะกลายเป็นของผู้อื่นไปเพราะว่ามันเป็นสมบัติชั่วคราวเป็นสมบัติผัดกันชน สมบัติที่ถาวรสมบัติที่แท้จริงคือความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิและความสงบที่เกิดจากการละความอยากต่างๆไม่มีความอยากกับอะไรปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะมาก็ปล่อยเขามาไปเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปเขาจะเกิดก็ปล่อยเขาเกิดเขาจะดับก็ปล่อยเขาดับเพราะเราไปห้ามเขาไม่ได้ เวลาไปอยากให้เขาไม่เป็นไปตามที่เขาเป็นใครเดือดร้อนเราเดือดร้อนคนที่เราอยากให้เขาเป็นหรือไม่เป็นนี่เขาไม่เดือดร้อนอย่างลูกเรานี้อยากให้เขาดีเขาไม่ดีใครเดือดร้อนเราเดือดร้อนแต่เขาเดือดร้อนไหมเขาไม่เดือดร้อนเขาสบายเขาสุขเขาไม่ดีเขากลับมีความสุขแต่เราไปเดือดร้อนแทนเขาทาไม ก็เพราะว่าเราไปหลงคิดว่าเขาเป็นลูกเราเป็นของเราถ้าเป็นของเราเขาก็ต้องอยู่กับเราไปตลอดสิเดี๋ยววันดีคืนดีเขาก็ไปแล้วเดี๋ยวสามีภรรยาเขาก็มาขอไปแล้วอ่าเขาเป็นของเราที่ตรงไหนแล้วเวลาสัปปเปลอมาเอาไปเราไปห้ามได้หรือเปล่าเราก็ห้ามไม่ได้พราะเราไม่คิดกันเองเราเลยหลงคิดว่าเขาเป็นของเราเขาจะอยู่กับเราไปตลอด พอเวลาเขาไปก็เลยต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะมีความอยากให้เขาอยู่กับเราต่อไปแต่ถ้าเราพร้อมเราคิดอยู่เรื่อยๆว่าเขาต้องจากเราไปพอเวลาเขาจากไปนี้เราจะไม่เดือดร้อนและเราจะไม่ต้องมาใช้เขาเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราเพราะเราสามารถหาความสุขจากการนั่งสมาธิได้ หาความสุขจากการปล่อยวางได้อันนี้แหละเป็นความสุขที่เราสามารถที่จะรักษาเก็บไว้เป็นสมบัติของเราได้แต่ความสุขในรูปแบบอื่นนี้เราเก็บไม่ได้ความสุขจากลูกเราเก็บไม่ได้ความสุขจากสามีภรรยาเราเก็บไม่ได้ความสุขจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราเก็บไว้ไม่ได้สักวันหนึ่งเรากับเขาต้องมีวันต้องแยกทางกันไป ฉะนั้นขอให้พวกเราเข้ามาหาความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวเราดีกว่ามาฝึกนั่งสมาธิการทําใจให้สงบด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่แต่คำว่าพุทธโธพุทธโธไปแล้วใจจะว่างจะเย็นจะสบายแล้วเวลานั่งหลับตานั่งเฉยๆใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พบกับความสุข ที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายพวกเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นพระราชามหากตรัปาา์ประธานาธิบดีมหาเศรษฐีหรือคนธรรมดาสามัญหรือขอทานข้ามถนนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่นี้ได้แต่ต้องทำกันต้องพุโทโธกันพยายามพุทธโธไปเรื่อยๆแล้วไม่ช้าก็เร็ว ความสุขการยิ่งใหญ่นี้ก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราได้เชยชมอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเราพยายามหันเข้ามาหาความสุขทางใจดีกว่ามาดูแลรักษาใจดีกว่าเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่ถาวรและความสุขที่เราได้จากใจนี้ก็จะอยู่กับเราไปตลอดเราจะไม่ต้องพบกับความทุกข์อีกต่อไป